ในวงการวิทยาศาสตร์นี่มันมีเรื่องแปลกๆอยู่หลายเรื่องนะซึ่งมองในงา น, นึงก็เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มองในงา น, นก็เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าคนมักจะไม่ค่อยรับรู้เท่าไหร่อย่างเมื่อปรมาณสักร้อยกว่าปีมาแล้วเนี่ยร้อหรือ120ปีเนี่ยมันมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะ ชื่ออเล็กซิสแคร์ลเขาเป็นคนขยันเพราะเซลล์ที่มาจากสัตว์แล้วคราวหนึ่งเขาก็เอาเซลล์จากหัวใจไก่เนี่ยมาเพาะวิธีเพาะเนี่ยคือเพาะในในจานนะก็ะจานเพาะเลี้ยงซึ่งมีอาหารที่เซลล์ต้องการ พราะว่าเซลล์หัวใจไก่เนี่ยมันสามารถจะอยู่ได้ไม่ใช่แค่เป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนแต่เป็นปีเลยนะแล้วก็อยู่ได้หลายปีด้วยคนก็แตกตื่นเงินใหญ่เลยเพราะมันหมายความว่าเซลล์ของไก่เนี่ยมันเป็นอมตะหรือว่ามันมีความสามารถจะเป็นอมตะได้คือไม่ตาย ถ้าพาะเลี้ยงหรือให้าหาร ม, มันไปเรื่อยๆมันก็อยู่ได้เรื่อยๆเป็นปีๆและคาร์เลเนี่ยนะคารเนี่ยแกก็สามารถที่จะชี้ว่าเนี่ยเซล์ที่แกเพาะเนี่ยมันอยู่ได้เป็น1 0ปีเลยนะทุกคนก็ตื่นเต้นเงนใหญ่ล้นทังนักวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะว่ามันแสดงว่าเซลล์ของคนเราก็เหมือนกันมันก็น่าจะเป็นอมตะด้วยแล้วก็มีความเชื่อแบบนี้มานานนะซึ่งทาให นักวิทยาศาสตร์เนี่ยคิดถึงเรื่องการยืดชีวิตคนให้เป็นอมตะเพราะเซลล์คนเรามันมีศักยภาพที่จะเป็นอมตะได้เวลาล่วงเลยมาเป็นสี่สิบห้าสิปีได้นะจนกระทั่ ง, ทงวันหนึ่งก็มีคนเกิดความสงสัยตั้งคำถามว่ามันจริงหรือนะที่เซลล์เนี่ย อย่าว่าแต่เซลล์คนเลยเซลล์จากสัตว์เนี่ยเช่นไก่เนี่ยมาเพาะเลี้ยงมันจะอยู่ได้ไม่มีกําหนดแล้วตอนหลังก็พบ ว, ว่าจริงๆเนี่ยนะมันไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนเลยนะที่สามารถจะเพาะเลี้ยงเซลล์หรือต่ออายุเซลล์ให้อยู่ได้เป็นปีๆอย่างแครเรลเนี่ยไม่มีใครสักคนทําได้เลยคือวิทยาศาสตร์เนี่ยมัน ความคิดหรือสมมุติฐานใดมันจะน่าเชื่อถือก็ต่อเมื่อมันมีการพิสูจน์ซ้ําทดลองซ้ําแล้วก็ได้ผลเหมือนกันแต่ว่าคนอื่นเนี่ยทํำยังไงทํำยังไงนะเซลล์ที่พอเลี้ยงไว้ในจานมันก็ตายไม่นานบางทีก็อยู่ได้ไม่ถึงเดือนบางทีก็อยู่ได้ไม่ถึงอาทิตย์จนกระทั่งตอนหลังก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีใครทําได้หรอก แบบที่ Alexis Caro และตอนหลังก็พบว่าน เ, เนี่ยเซลล์เนี่ยมันมีอายุจํากัดถ้าเป็นเซลล์ปกตินะแต่ถ้าเป็นเซลล์มะเร็งนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งเซลล์มะเร็งนี่มันมีคนสามารถเฉพาะเลี้ยงให้มันอยู่ได้เป็น 40-50 ปีแต่นั่นก็เฉพาะมะเร็งบางชนิดเราก็ต้องอาศัยความสามารถพิเศษด้วยแต่ถ้าเป็นเซลล์ปกติเนี่ยไม่นานก็ตาย พอเซลเนี่ยมันมีอายุจํากัดมันแบ่งตัวไปได้ไม่กี่ไม่กี่10ครั้งะนะมันก็หยุดแบ่งแล้วมันก็ตายแต่สิ่งที่มันน่าสงสัยคือว่าในเมื่อนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายในโลกเนี่ยไม่มีใครเพราะเลี้ยงและต่ออายุเซลเนี่ยได้เป็นเป็นปีปอย่างที่เชื่อกันเนี่ยทำไมจึง ไปหลงเชื่อน ะ, อะข้อสรุปของแค r เรลสุดท้ายก็พบว่าเนี่ยเป็นเพราะไปศรัทธาเป็นเพราะไปศรัทธาเชื่อถือนะนักวิยาศาสตร์คนนี้เนี่ยคิดว่าเขาถูกก็เลยไม่มีใครตั้งคำถามแต่ทั้น ท, ที่หลักฐานเนี่ยมันก็ บ่งบอกว่านะว่าเนี่ยเซลเนี่ยถ้าเป็นเซลปกติไม่ว่าคนหรือสัตว์เนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานหรอกแล้วก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วทำไมอเล็กซิสแคเรลเนี่ยจึงสมามารถจะพ่อเลี้ยงเซลหัวใจไก่นี้ได้เป็น 10-10 ปีเนี่ยเขาก็สงสัยว่าเป็นเพราะว่าเติมแต่งข้อมูลหรือเปล่าหรือเป็นเพราะความผิดพลาดทางเทคนิคหรือเปล่าที่ทำให้ เซลล์มันอยู่ได้เรื่อยๆอาจจะไม่ให้เซลล์เดิมนเป็นเซลล์ใหม่ที่มาหลงเหลือที่มันเข้ามาแปดเปื้อนอยู่ในจานเพาะเลี้ยงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชื่อเห็นนะว่าแม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยที่ถูกฝึกมาให้ตั้งคาถามเนี่ยจะเชื่อต่อมีต่อเมื่อมีหลักฐานพิสูจน์เนี่ยแต่ตั้าที่หลักฐานนี่มันพิสูจน์ต ร, ตรงกันข้ามนะกับที่แค r o โรพูดเนี่ยแต่คนก็เชื่อนะ เชื่อสิ่งที่แคร์เราพูดและเรื่องแบบนี้ก็มีมาตลอดนะสิบปีต่อมาเนี่ยมันมีนิเวศาสตร์คนเนี่ยก็บอกว่าในเซลล์ของคนเราเนี่ยนะมันมีสิ่งที่เรียกว่าโครโมโซมคโครโมโซมเนี่ยมันจะมันจะอยู่กันเป็นคู่ๆจับกันเป็นคู่ๆ แ, แล้วเขาบอกในเซลล์ของคนเราเนี่ยมีคโครโมโซมอยู่24คู่ เอาผ้ามาโชว์ให้ดูเลยคนก็เชื่อกันนะเชื่อกันนานทีเดียวนะถึง30บกว่าปีจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีคนชื่อว่าเฮ้ยโปรโมโซมมันมี24คู่ที่ไหนมันมี23คู่และหลักฐานมันก็มีอยู่นะจากภาพถ่ายภาพถ่ายของเซลและภาพถ่ายนี้ก็มีมานานแล้วนะ ภาพถ่ายเหล่านี้ถ้ามาดูเนี่ยถ้ามานับดูเนี่ยจริงๆเนี่ยละเอียดละออนจะพบว่ามันมี23คู่น้ำโครโมโซมแต่ทำไมาคนเชื่อกันนะว่ามันมี24คู่เป็นเพราะว่าไม่ได้นับนะไมไ่สนใจนับจริงจังนะมีคนบอกว่า24คู่ก็24คู่ตามๆกันทั้งที่วิสัยนวิทยาศาสตรเนี่ยมันต้องสงสัยแล้วก็ตรวจสอบภาพถ่ายมันก็มีนะ และภาพถ่ายในอดีตเนี่ยมันก็เชื่อเห็นว่าว่ามันมียี่สิบสามคู่เนียอันนี้ก็แสดงว่านิเวศาเนี่ยก็เหมือนคนธรรมดานะคือมีความมีแนวโน้มที่จะเชื่ออะไรง่ายๆเหมือนกันโดยเฉพาะถ้าเป็นคนเดงคนเด็งคนดังก็พูดก็เชื่อไว้ก่อนไม่ได้ตรวจสอบ ทั้งที่หลักฐานเนี่ยมันไม่ต้อง ม, ม, ม, ม, ม, ม, มันไม่ต้องอาศัยหลักฐานใหม่หลักฐานก่ามันก็ชี้อยู่แล้วจากภาพถ่ายที่ถ่ายมาและแม้กระทั่งเมื่อย0สบกว่าปีที่แล้วนะมมีนมักยศาสรคนหนึ่งเนี่ยแกบอกว่าเซล์เซลตาเนี่ยหรือเซลลในตาของคนคนขอ ง, ของเราเนี่ยที่ อยู่ในจอประสาท ต, ตาเนี่ยที่เชื่อกันมานานนะ0ปีว่ามันมีอยู่2ชนิดคือเซลล์ที่เป็นรูปร่างกลวยกับเซลล์ที่เป็นรูปร่างแท่ง เ, เซลล์กลวยเนี่ยก็ทาหน้าที่รับสีจะรับสีได้ดีโดยเฉพาะเป็นช่วงเวลาที่สว่างสว่างส่วนส่วนเซลล์แท่งเนี่ยมันจะ มันจะไวต่อแสงเพราะนั้นเนี่ยแม้ในที่มืดเนี่ยก็ยังพอมองเห็นได้แต่มองไม่เห็นสีนี่เปานี่เาคนนี่ชื่อฟอสเตอร์บอกจริงๆมันมีเซลล์ชนิดหนึ่งนะชื่อเรียกว่าเซลล์ปมประสาทเป็นเซลล์ชนิดที่สามที่รับรู้ว่าเวลาไหนเป็นเวลากลางวันเป็นเวลากลางคืน แล้วมันก็สามารถจะปลุกคนให้ตื่นได้เมื่อถึงเวลากลางวันหรือเมื่อพาทิตขึ้นเพราะว่าคนเนี่ยแตกตื่นกันนะไม่ใช่แตกตื่นเพราะเห็นดวงนะแต่ว่าคัดค้านว่าเป็นไปได้ยังไงนะร้อยห้าสิปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเชื่อกันมาตลอดนะแล้วก็มีหลักฐานนะว่ามันมีเซล์แค่สองชิ้นที่จอประสาท ต, ตา มันจะมีเซลล์ที่3ามได้ยังไงไอ้พลาสเตอรนี่ก็โดนดานะสารพัดเลยแต่สุดท้ายเนี่ยนะมันก็ยืนยันนะเป็นที่ยืนยันนะยืนยันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเซลล์ชนิดที่3อยู่ที่จอประสาทตาของคนเราก็เกิดคําถามขึ้นมาว่าแล้วไปเข้าใจได้อย่างไรนะเป็นเวลาร้อยปีนะว่าเซลล์ที่ตาของคนเรามีแค่2ประเภท เรื่องแบบนี้นี่มันพิสูจน์ไม่ยากนะเพราะว่าความรู้ของคนเราเทคโนโลยีของคนเรานี่มันมีมันเจริญมากพอที่จะพิสูจน์ได้วันจริงๆแล้วเนี่ยเซลล์ในจอประสาท ต, ตาของเราเนี่ยมันมีสามชนิดแล้วทาไมคนจึงมองข้ามเซล์ชนิดที่สามไปก็เพราะเชื่อว่ามันมีเซลก็เพราะเชื่อว่ามันมีแค่สองชนิดเนี่ย ไอ้ความเชื่อที่ว่านี่ทําให้มองไม่เห็นเซลล์ชนิดที่3ในจอประสาทตาของคนเราอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าแม้กระทั่งในหมูลนิยมศาสตร์เนี่ยเราก็เชื่ออะไรง่ายๆได้เหมือนกันเขาว่าอะไรก็คล้อยตามได้ง่ายโดยเพราะถ้าคนที่ว่าเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงอย่างเอเล็กซิสคาร์เรลเนี่ยนะโอ้ก็เป็นปรมาจารย์ด้านการเพราะเลี้ยงเซลล์นะ พอแคร์โรบอกว่าเซลล์ของสัตว์และของคนเราเป็นอมตะคนก็เชื่อกันแม้จะทดลองกี่ครั้งกี่ครั้งมันก็ไม่เป็นอมตะสักทีมันตายแต่ว่าปรมาจารย์ว่ายังไงก็เชื่อตามนะหรือว่าพอมีความเชื่อในไสักอย่างเนี่ยไอสิ่งความจริงที่มันไม่ตรงกับความเชื่อนี่มันก็ถูกปัดออกไป เชื่อว่าโครโมโซมมี23าคู่นะมองยังไงมองยังไงมันก็23าคู่เอ๊ะจะเชื่อว่โครโมโซมมี่สคู่เนะี่ยมองยังไงมองยังไงก็ยีคู่ทั้งที่ความจริงมัน23ามปรากฏในภาพถ่ายอันนี้มาใส่มาคนเราเนี่ยแม้แต่ผู้ที่รู้ที่ถูกฝึกมาให้หาหลักฐานข้อเท็จจริงเนี่ยก็มีนาย n o r ที่จะเชื่อง่ายหรือเชื่อตามๆกันก็นะเรียกว่าเชื่อตามหมู่คณะนะ เป็นความคิดแบบรวมกลุ่มและจะใครคิดหรือพูดเนี่ยแตกต่างกันก็ถูกด่านะอย่างฟอสเตอร์เนี่ยเสียผู้เสียคนมาเป็นปีเลยนะจนกว่าจะมีหลักฐานยืนยาวจริงๆแล้วเนี่ยเซลล์นี่มันมี3ชนิดแต่ว่าไม่ได้ดูว้ถีท่วนที่ผ่านมาไม่ได้ดูว้ถีท่วนกันเลยเขาจะว่าเซลล์ในประสาทตาของเรามีแค่2นี่ขณะความเห็นที่แตกต่างกันทางวิทยาศาสตรน์นก็ยัง ถูกลุมดา่าเมื่อพูดถึงความเห็นที่แตกต่างกันในทางศาสนาการเมืองนะพอคนเราเชื่ออะไรตามๆกันแล้วเนี่ยใครที่พูดแตกต่างมันก็สามารถจะถูกลุมประนามถูกด่าได้เพราะว่าไม่ตรงกับความเห็นของคนเราของคนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาเร า, าเชื่ออะไรเนี่ยก็อย่าไปเชื่อเต็มที่นะให้เผื่อใจไว้บ้างว่ามันอาจจะไม่ใช่ความจริง แล้วก็ใช้หลักการมาสูตรบ้างนะว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะเสียงเล่าเรืออย่าเชื่อเพียงเพราะว่าผู้พูดเป็นเป็นครูของเราเพราะว่าเสียงเล่าหรือก็ผิดได้ความเชื่อที่พูดกันมาสืบพากมาก็ผิดได้คนเด่นคนดาวหรือครูบาอาจารย์ก็ผิดได้เหมือนกัน